สวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะมาอีกแล้วนะคะรายการสัสนีสนทนาสําหรับดิฉันเองเนี่ยมีความเชื่อนะคะว่าการเข้าใกล้คําสอนของพระพุทธ อ, องค์เพื่อที่จะนําไปสู่การน้อมนามาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ล้าค่าสําหรับชีวิตทุกวันที่มาพบกับท่านฟังดิฉันก็จึงมาด้วยความเบิกบานเป็นอย่างยิ่งนะคะดิฉันสัสนีนานพงคะ่ะและรายการนี้ มาพบกับท่านที่สถานีวิทยุที่ท่านกําลังฟังก็คือวิทยุ f m ฟเอครอบครัวข่าวกับสถานีวิวทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ154สถานีต้องรีบพูดเพราะว่าเวลาเราน้อยแต่ว่าเรามีของดีจะให้เยอะเริ่มต้นจากการที่พระมารชาคาวโรวัฒนาปะพง์ลาลูกกาคลอง10จะนําเสนอพระสูตรของพระพุทธองค์และนําการปฏิบัติคะ่นะน้มาสการคะ่ะท่านคะเจริญพร วันนี้เราก็มาปฏิบัติทำความเพียรในการนั่งสมาธิกันต่อแล้วก็จะอ่านประสุเนเรื่องของที่ตั้งอาศัยแห่งการเกิดตันหาให้ฟังในระหว่างที่เรานั่งสมาธิไปถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกในระหว่างการที่นั่งนี้หากจิตหลุดไปคิดในอดีตในอนาคตความสุขความทุกข์ ก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียคือการละความเพลิดและมีสติอยู่กับลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงที่ตั้งอาศัยแห่งตันหาไว้โดยท่านตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตันหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นณที่ไหน เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณนะที่ไหนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้น ภ, ภ, ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเล่ามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกภิกษุทั้งหลายตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกจมูกมีภาวะ เป็นที่รักที่ยินดีในโลกลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและใจมีภาวะเป right ็นที่รักที่ยินดีในโลก จะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูป เสียงกลิ่นรสโภธภะและธรรมรมณ์อันเห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจแก่พิกสุผู้มไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมานันทีคือความเพลินย่อมดับ เมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะคือความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกลลไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ด้วยพระราชามหามาคของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตันหานั้นอันภิกษุนั้นละได้เสียแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แหละเพราะฉะนั้นตันหานั้นก็จะตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ซึ่งก็คือตาหูจมูกนิ้นกายใจนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราละความเพลินไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เสียบโมเมาซึ่งสิ่งที่ตาหูจมูกนิ้นกายใจนั้นเข้าไปรับรู้ซึ่งเมื่อเราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เสียบโมเมาแล้วเราก็สามารถละตัณหานั้นเสียได้ ฉะนั้นวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายเอเรบดแล้วก็มาปฏิบัติกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะขอบพระคุณท่านมาร์นะคะพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกากรอง1ิท่านมา ค, คะ่ะก่อนที่จะกลาบลาท่านเนี่ยนะคะสังเกตว่าพระพุทธองค์เนตรัสเรื่องละความเพลินบ่อย ได้มีโอกาสทำแบบสอบถามถามพุทธศาสนิกชนที่ไปฟังธรรมถึงเรื่องพุทธวจนะที่รู้จักก็ยกตัวอย่างศีลห้าบ้างมรรคบ้างอริยศาสตร์บ้างมีอยู่แปดตัวอย่างแล้วก็มีคำว่าละความเพลินนีอยู่ด้วยปรากฏว่ามีคนรู้จักน้อยที่สุดกะทังค่ะใช่ก็เป็นวิธีมรรควิธีที่เราจะสามารถใช้ในการภาวนา ส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของสีเรื่องของที่ในขั้นตอนตอนทีนี้ขั้นละเอียดที่เรืองของการภาวนาอาจารยังรู้ไม่กว้างไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ค่ะก็<ห>จะต้องคลินอีกอย่างหนึ่งรายการนี้พยายามที่จะให้ความรู้เพราะถือว่าพระพุทธองค์ตรัสบ่อยไหมคะใช่ถูกต้อ ง, องค่ะวันนี้ก็นมาส ก, การขอบพระคุณจเจริญพ่นะคะ ท่านฟังคะท่านจะได้ปฏิบัติพร้อมกับฟังพระสูตรโดยพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิ์นี้อยู่เป็นประจำนะคะเพราะเราเห็นความสำคัญว่าศีลสมาธิปัญญาควรจะต้องไปพร้อมๆกันคะ่ะรายการนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านฟังไปพบ ก, กับพระอาจารย์ไพบุญอ่ะพี่ปุณโนคะ่ะ